เป็นบอดคือคาคือทางฮะ <c oughs> เป็นไงไหวไหมัะมันกำลังเป็นเพลินฮะไหวไหม <c oughs> อืม สูผู้เท่าก็ได้เดอน่เ่าฮ <c oughs> ะีฮละหะลายรอบเออนั่งบังคับนั่งดัดยู่นี่แหละเออเอาเราซือ้อสวดมณ์เราซือ้อสวดมณ์แจกสาสติด้วย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 ตอนหลังมาตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้ามุขยาวล่อเพื่อให้เอาใจออกจากนางนั่นน่ะออกจากนางก็ไปอยู่กับเทวดาใจนะเพราะเทวดามันงาม ก, กว่านางนั่นนางที่แต่งงา น, น, นออกจากเทวดาชั้นต่ำๆขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปขึ้นไปชั้นละเอียดขึ้นไปขึ้นไปชั้นละเอยียดยิ่งงามงามงามงามงามติดไปติดอยอะชั้นงามที่สุดนะ่ะ เธออยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ไปเจ้าค่ะอยากได้อยากให้นางฟ้าเออเดี๋ยวลงไปเธอตั้งใจภาวนานะเราจะเอาให้เออวียนวิธีอะ่ะมาตั้งใจภาวนาเนี่ยมูเพื่อนก็เห็นแปลกเนะี่ยเมื่อก่อนนี้นัทธาภาวนาไม่ได้เลยคิดถึงแต่นางชนบทกาลยานี ผมเห็นตั้งใจภาวนาไปภาวนามาก็เลยเรื่องมันก็เลยเล็ดร อ, อดออกมาว่านันทาหนีว่าตั้งใจภาวนาเพราะพระริเจ้ารับประกันว่าจะเอานางฟ้าให้ <c oughs> คนนั้นก็สุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบเฮ้ยภาวนาอยานางฟ้า <c oughs> โอ้ละอายก ใ, ใจอะไรท่นี่อู้เราทำไมภาวนาอยากได้นางฟ้าวะ่ะคนอื่น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 ก็ดึงมาอยู่กับตัวตั้งใจภาวนาไม่นานก็ได้มันลุธรรมท่านบรรทัดพระเจ้าไม่เห็นว่าธารุนั่นไม่เห็นบอกว่าทารุน่ะเขากําลังจะแต่งงานกันน่ะเขาแต่งงานกันแล้วแต่ยังไม่ได้สัมผัสอะไรกันดอกมันยังไปกลางคืนมันยังไม่ได้เข้าห้องเข้าหอดู้ไหยพระเจ้าเอา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 ต้องไปท่องเด้ออ๋ใครท่องใครท่องใครจำได้แหละโอ้ยสนุกเลยว่าสนุกเลยอ๋อใครยังไม่ท่องก็จุกจักจัุกจุกจักจเออตัวนี้แหละตัวร้ายกาจกุญแจจับตัวกุญแจนี่แหละพวกนี้แหละที่มันทําให้เราภาวนาไม่ได้หน้าได้หลังก็เพราะพวกนี้แหละ นิวอนวอ น, วอนี่วอนเนี่ยแหละตัวไายกาเนี่ยแหละนิวอนนีวอนสิงกีดขวางนี่วอนิงกิดขวางที่พวกเราทำทํากันเนี่ยที่มันไม่ไม่ไปนหน้ามาหลังกันนี่แหละพวกนี้มันขวางไว้ข้ามันไม่ได้นิวอนนี่วอน้าการมาฉันตะ พยาบาทพยาปาดะทีน้มิถาม่มงเงาเอ่อนนอนอกัฏจักกุฏจักพุ่งสารคารวิจิกิจชาวิจิตรช่างวิจิกิจชาญาวิจิกิจช า, ชาลังเลสงสัยเมื่อกี้เราก็บวชสวดเราก็สวดบวชจิต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 สายลุงตาลุงปู่มั่นงปู่สาวเนี่ยท่านให้เจอสถมถะท่านเจริญสมถะเพราะในบทของสติมหาสตินี้มันเจริญได้ทั้งบทสถมถะทั้งบทวิปัสสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์นเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเริมต้นโดยพุทโธพุทโธพทุทโธพุทโธพอทำไปทางไปทำไ ป, ไปจิตของเราไม่ไปไหนละจิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใครน้อมมาพิจรารณา น้อมพิจารณาพิจราจรณ า, าตามหลักมหาสตินี่แหละพิจารณาตามหลักมหาสติการพิจารณาตามหลักมหาสตินี่แหละมันเป็นการใช้ปัญญาจอมากกำหนดจดจ่อรู้จนเพะหน้าเอาอะไรมารู้เอาตัวสตินี่แหละสติเป็นตัวพยุงถ้ารู้ถ้ารู้คือจิตจิตก็คือถ้ารู้ตราบใดที่มีสติกํากับกับจิต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 ภาษาไทยภาษาน้ภาษานี้หลักวิชาทั้งหลายที่เราเรียนนี่แหละเราเริ่มจากความไม่รู้การไม่รู้เร่มไปเริ่มมาเริ่มมาเรื่มไปเริ่มจำไม่จำนาเริ่มคล่องอ <c oughs> ืมคือมื่ออย่างเราเริ่มหัดพูดเริ่มหัดพูดพ่อจาแม่จานหัดยิ้มหัดเดินหัดลุกหัดนั่งหัดอะไรอะไรสักหนึ่งก็แข็งเดินก็แข็งอพูดก็ชัด น้องจะพูดชัดและเข้าใจความหมายเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าเข้าใจไปจนถึงหลักเหตุหลักผลเนี่เริ่มเริ่มรู้เดียงสาภาวะเริ่มมีเหตุมีผลเริ่มรู้จักใช้สติเริ่มรู้จักใช้ปัญญาเริ่มรู้จักดีเริ่มรู้จัก ช, ชั่วนะมันก็ค่อยเริม่มมันก็ค่อยเจริญ ม, มันเกิดขึ้นจากต้นอ่อนทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าพืชทั้งหลายนะเกิดขึ้นจากต้นอ่อนทั้งนั้อนแหละ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 แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกที่ะเรียกว่าทุกข์ขมสุขเนี่ยท่านพูดประกอบมาอีกว่าสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตรสุขมีความพอใจสุขไม่มีความพอใจคือความวางเฉิยความสงบความบางเฉิยความสง บ, บ, ง ส, งบสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตร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 ไม่ชัดเท่าที่เรานั่งรถ ด, ด้วยแล้วนะเราดูไปรอบขาง <c oughs> เห็นไอ้ต้นมไม้มันล้มไปล้มมามุนไปมุนมาเนะ่มันไม่มีอะไรชัดเจนการไปที่จิตกําไม่นิ่งไม่สงบไม่อยู่ดูเห็นยากในเมื่อเราดูเห็นยากเรากนะ็จับสุมส่มเดาเป็นนั้นแหละจับซุ่มๆเดาๆไม่ได้จับของจริงอะไรเพราะฉะนั้นของจริงจริงไม่ไม่ปรกากฏในหัวใจของเราสักจับที่แท้จริงไม่ปรากฏปรากฏในของปลอม นี่คือการตั้ง ต, งตั้งใจงคนโอบรมผมกำกับที่กายก็เป็นจริยธรรมอมกายกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธพิณากรรมนั่นนะไงกายกรรมเอาอะไรไปทําจริยธรรมก็คือเอาศีล น, นั่แหละไปกํากับเอาทํามนี่แหละไปกากับไม่ฆ่าสัตว์อนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังมีเมตตาไปเห็นสัตว์เป็นปลาเป็นเป็ดนิ่งแ ไ, ไ, ได้อยู่ฝั่ง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 ไม่มืนสังคมโบราณสังคมโบราณก็คุกคลีกลนันกันแต่ยังมียินมโอตปัดมีขนมมีทำเนียมมีอะไรดีๆเดี๋ยวนี้จะห่าเหินยิ่งถ้ามีกฎหมายอาพีภิสิทธิมนุสยชนกฎหมายสิทธิมนุษยชนผู้หญิงไม่อยากทำความสามารถอะไรเหมือนกับผู้ชายต่อไปเขาคงจะให้ผู้ชายอุ้มท้องบ้างโหสิทธิอุ้มสิชน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 สิทธิมนุษยชนเขมีกฎหมายนะสันอยหนึ่งเหะเทั้งไขรทั้งหนาวทั้งอะไรแล้วเนี่ยโทษมันตามมามันเล็น ง, งานต้องระวังให้ดีเรื่องเหลนี้เรื่องจริยธรรมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เป็นข้อพระพฤติปฏิบัติที่ดีงามใครระมัด ร, ระวังรักษาได้โดยเฉพาะแค่ศีลห้าธรรมห้าเนี่ยเชนี้เราก็มีความสุขมีความเจริญ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 กิจโฉมมนุสสติลาโผมันไม่ง่ายนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่จะตกจากมนุษย์อย่างง่ายมากเพียงแต่ตัณหามาแทะหัว ใ, ใจเราอย่างเราไม่มีอะไรมาปลุกจิตขอาให้ตื่นรู้ทันมันเท่านั้นเองมันดึงของเราไปตกมารกได้เลยแหละมารกมันลึกสิจุดนัณหานไหนก็จะโผล่ขึ้นมาได้มนุษย์กี่กลับก็จะโผลข่ ข, ลขึ้นมาได้ดูเทวทัศไปอยู่ในอาวิชมา ร, รก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 โลมที่ตื่นข้นมาตื่นข้นมาตื่นข้นมาตื่นข้นขมามาเป็นสัตว์นิรันร์ได้มาเกิดร่วมรกมนุษย์เราควครจะได้มาเป็นมนุษย์ท่านจะว่ามนุษย์ยากมากิจโฉมสติลาพโพการมาบัดเป็นมนุษย์ยากการที่จะมีชีวิตอยู่ก็ยากกิจฉัมัจจาชีวิตต่างการที่พระพุทธเจ้าจะมาบัดก็ยากกิจโฉม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 เราหมดจะมองมึงอดีนไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสำคัญไม่ได้หยิบเข้าปปากเราก็น่าเสียดายพวกเราทุกคนไม่ทำตนให้พลาดโอกาสที่น่าเสียดายนี้ไปได้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ทำ อ, อกต้้งใจมาฝึกฝนอบรมนะวันนี้พอสกควเวลากลับไปภาวนาต่อใครจะเป็นเนต่อกันเนยสว่างกันแล้วกันแล ะ, นะเรามาครั้งเดียวครั้งนี้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 บทสลา <c oughs> บทสลาถ้าใครจะเสียสลากไปอาบุญอีกรอบหนึงตอนเช้าฟัาก็จะทำานเช้าทุกวันทุกวันบนฉลานฉลาเนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปจุดสว่านเดี๋ยวนี้มันสว่าช้านะแล้วมีเวลาภาวนาพี่ครัวก็ จะไปก็ไปเป็นไปูุ่สวนด้วยกันได้สวนมุมเสร็จ <c oughs> อยากมาช่วยทำครัวทำอะไรก็มาได้เดีย๋ยวนั่งภาวนาอยู่ทางนน้นก็ได้ก็แล้วแล้วแต่โปรแกรมจะจัดกันไปกัดกันไป <c oughs> นี่มีใครเคยมาไหมตั้งแล้วเนี่ยวอเหน้าเนี่ย <c oughs> ยังไม่เคยมีใครมาสักคนเลย คนที่เคยมาไม่มาเพราะเรารูจําใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยอ่ารอบนี้เป็มาใหม่ค่ะโอ้โหอ่มีใครได้มาแต่เคยเจอเราใช่ไหมเคยเจอไปที่บริษัอ๋อเคยเจอเราเกือบทุกคนมั้งเนี่ยอืมพอเราไปที่นู่นดีแลวพวกเราได้ได้หัวหน้าพาทํา